เประทุสร้ายในท่านผู้ไม่ประทุสร้ายผู้ใดประทุสร้ายด้วยท่อนไม้ในท่านผู้ไม่มีท่อนไม้ผู้ไม่ประทุสร้ายใครผู้นั้นย่อมถึงฐานะสิอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วคือมีเวทนากล้าหนึ่งความเสื่อมทรัพย์หนึ่งความขาดแห่งสรีระหนึ่งอาพาธหนักหนึ่งจิตฟุ้งซ่านหนึ่ง อุปสรรคจากพระราชาหนึ่งการถูกกล่าวตูอย่างทารุณแสบเผ็ดหนึ่งความสิ้นญาตหนึ่งความพินาศแห่งโภคะหนึ่งมิฉนั้นไฟป่าย่อมไม่เรือนหนึ่งคนพา น, นั้นเป็นผู้มีปัญญาสามย่อมตกนรกเมื่อตายแล้วโอ้โหโทษไม่ธรรมดาเลยตั้งสิบอย่างเลยไม่ไม่ใช่น้อยเลยเรียกว่าผู้ใดปทุสร้ายในท่านผู้ ไม่มีท่านไม้หรือปทัสสาวด้วยท่านไม้ผู้ไม่ปัสสาวลไร้ใครนียโอ้อันนี้มันลำบากเกันเนาะเกิดไปถูกพระอริยะพระหันโนก็กำหนักแะผู้ที่ไม่ปัสสาวลไร้ตอบ <c oughs> ก็ไม่ใช่คนธรรมดาอีก <c oughs> มันจึงมีโทษหนักนีอธิบายความขอนำมติของพระอัจฉริาจารย์มากล่าวก่อน คำว่าเวทนาการานั้นหมายถึงโรคอันเป็นเหตุให้ปวดอย่างหนักเช่นโรคปวดศรีรษะเป็นต้นคำว่าความเสื่อมนั้นหมายถึงความเสื่อมทรัพย์คำว่าความขาดแหงสรีระหมายถึงการถูกตัดมือตัดเท้าเป็นต้นคำว่าอาพาธหนักหมายถึงป่วยหนักเช่นเป็นอมาาัมพาตตาบอดเป็นง่อยและโรคเลื้อนเป็นต้นคำว่าจิตฟุ้งซ่านได้แก่เป็นบ้าคำว่าความขัดข้องแต่พระราชาอธิบายว่า ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากพระราชาแล้วถูกถอดยศลดตาแหน่งมีตาแหน่งเสนาบดีเป็นต้นคำว่าถูกกล่าวตัวอย่างรุนแรงได้แก่ถูกใส่ความด้วยเรื่องไม่จริงไม่ได้ทำเขาก็ว่าได้ทำไม่ได้เห็นเขาก็ว่าได้เห็นคำว่าความสิน้นญาติหมายถึงความย่อยยับแห่งเกลือญาติผู้พอเป็นที่พึ่งพำนักได้คาว่าความพินาศแห่งโภคะหมายถึง ทั้งสังหาริมัพั์และอสังหาริมัพั์ถึงความพินาศย่อยยับไปสัตว์2เท้าสี่เท้าล้มตายด้วยโรคระบาดหรือตาบอดใช้การไม่ได้เป็นต้นคำว่าไฟป่าย่อมไม่เรือนนั้นคือเมื่อไฟอย่างอื่นไม่มีไฟป่าย่อมตั้งขึ้นตามธรรมดาของมันแล้วลามมาไม่บ้านเรือนหรือฟ้าผ่าลงมาถูกบ้านเรือนของบุคคลผู้นั้น สาระสําคัญที่พระอทธาทิตย์าจารย์อธิบายไว้มีเพียงเท่านั้นต่อไปนี้ข้าพเจ้าขออธิบายเพิ่มเติมบ้างโดยไม่ละแนวของพระอทธาทิตยาจารย์อันที่จริงการประทุสร้ายซึ่งกันและกันมีโทษมากอยู่แล้วทั้งโทษในปัจจุบันและอนาคตทั้งโทษในโลกนี้และโลกหน้าการประทุสร้ายในท่านผู้ไม่ประทุสร้ายยิ่งมีโทษมากขึ้นหลายเท่าเช่นบุตรที่ดาประทุสร้ายมารดาบิดา สิทธิ์ปทุสร้ายครูอาจารย์ราชดอนปทุสร้ายพระราชาผู้ดํารงมั่นอยู่ในธรรมศาสนิกปทุสร้ายนักบวชผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่มีมณทินมิตรปทุสรายมิตรผู้มีประการะต่อตนภรรยาปทุสร้ายสามีผู้ไม่มีความผิดผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยธรรมสามีผู้ปทุสร้ายภรรยาผู้ไม่มีมณทินแห่งหญิงผู้จงรักภักดีปฏิบัติให้มีความสุข การประทุสร้ายในท่านผู้ไม่ประทุสร้ายเหล่านี้เป็นบาปหนักทั้งสิ้นเป็นเวรกรรมติดตัวเป็นนานดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องประกอบเรื่องพระมหาโมคลานะเทระเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่ที่เวรุวนณารามเมืองราชฤกษ์ สมัยนั้นลาบสการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาเพราะความที่ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบ้างในภาษาวกบ้างวันหนึ่งพวกเดลถีพวกเดล ถ, ถีคือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาประชุมกันได้มีการถกกันในที่ประชุมว่าเหตุไรล า, าบสการะจึงเกิดแก่พระสัมโคดมมากมายนักในที่สุดได้เห็นพ้องต้องกันว่าพระมหาโมคลาณะเป็น สำคัญท่านมีฤทธิ์มากไปนรกสวรรค์ได้แล้วนำเรื่องในนรกสวรรค์มาบอกแก่คนทั้งหลายว่าคนทำกรรมอย่างนี้ไปสวรรค์ทำอย่างนั้นไปนรกด้วยเหตุนี้คนจึงเลื่อมใสมากพระมหาโมคคลานะเป็นกําลังสําคัญของพระสมณะโคดมถ้าพวกเราสามารถฆ่าพระมหาโมคคลานะได้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ขาดกาลังสาคัญไม่สามารถเรียกร้องความเคารพนับถือจากมหาชนได้อีกต่อไป แต่นั้นลาบการะก็จะหลังไหลมาหาพวกเราเองคิดกันดังนี้แล้วก็วางแผนสังหารพระมหาโมคคลานะเรียรไยทรัพย์จากพวกอุปถาคได้พันกระหาปณะนะได้เอาทรัพนั้นจ้างโจรคณะหนึ่งให้ไปสังหารพวกโจรเห็นแก่เงินจึงรับธรรมเวลานั้นพระมหาโมคคลานะอยู่ที่กาลศิลา พวกโจรไปล้อมที่อยู่ของท่านพระเถระทราบแล้วหนีไปได้ด้วยกำลังลิศในวันรุ่งขึ้นพวกโจรไปล้อมอีกท่านหนีได้โดยทานองนี้เวลาล่วงไปสองเดือนพอย่างเข้าเดือนที่สามพระเถระพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการชักมาแห่งกรรมอันตนเคยทำไว้แล้วในปางก่อนท่านจึงไม่ได้หลบหลีกการชักมาแห่งกรรมแน่นอนทีเดียว คนที่วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏย่อมจะต้องเคยทํากรรมดีบ้างชั่วบ้างมาแล้วทั้งสิน้นกรรมย่อมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ผลชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมของคนช่วงชีวิตใดมีความราบเรื่นผาสุขคิดอะไรทําอะไรก็ถูกต้องเหมาะสมไปหมดแสดงว่าช่วงนั้นกรรมดีกําลังให้ผลช่วงใดชีวิตมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายคิดอะไรทําอะไรผิดไปเสียหมดช่วงนั้นแสดงว่ากรรมชั่วกําลังให้ผล การชักมาแห่งกรรมจึงเป็นสิ่งน่ากลัวด้วยประการชนีพวกโจรจับพระเถระได้ทุบด้วยท่อนไม้จนแตกยับเยินเหมือนข้าวสารหักพวกมันเวียงทิ้งไปที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งด้วยเข้าใจว่าตายแล้วแต่พระเถระยังหานิพานไม่ท่านคิดว่าจากเฝ้าพระศาสดาเสียก่อนแล้วปรินิพานจึงประสานกระดูกด้วยกาลังลิศด้วยเครื่องประสาน คือฌานทําให้กระดูกมั่นคงเหมือนเดิมแล้วไปเฝ้าพระศ า, าสดาโดยทางอากาศทูลลาเพื่อปรินิพานเมื่อพระทศพลเจ้าทรงทราบว่าพระเถระจกไปปรินิพานที่กาลสิลาจึงตรัสว่าโมกขลานะขอเธอพึงกล่าวทมแก่เราก่อนแล้วจึงค่อยไปเราจะไม่ได้พบเธออีกพระเถระหอ สู่อากาศแสดงฤทธิประการต่างๆกล่าวธทำถวายพระศาสดาถวายบังคมและไปยังกาลศิลาและปรินิพานที่นั่นน่าสังเกตว่าพระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรงถือพระองค์ว่าทรงเป็นธรรมราชาเลยเมื่อภาษาวกจะปรินิพานยังทรงขอร้องให้กล่าวทำหรือแสดงทำให้พระองค์ทรงสดับทรงเป็นผู้เคารพธรรมอย่างแท้จริงสมกับที่ได้ทรงปฏิญาไว้ ข่าวเรื่องพระเถระถูกประหารจนปรินิพานนั้นแพร่สัพัตไปอย่างรวดเร็วทั่วชมพูทวีป พ, พระเจ้าอาชาตสตรูราชาแห่งแคว้นมคธทรงสั่งตำรวจออกตามจับทันทีที่ทรงทราบจนได้ซับแล้วไปดื่มจุรากันในโรงสุราแห่งหนึ่งเกิดทะเลาะกันขึ้นคนหนึ่งถองหลังอีกคนหนึ่งให้ล้มลงต่างคนต่างกล่าวอวดอ้างถึงวีรกรรมของตน คือการลงมือตีพระมหาโมคลานะว่าใครลงมือตีก่อนกันคนชั่วพบกับคนชั่วความลับก็แตกออกมาความลับไม่มีในโลกเป็นความจริงยิ่งนักโจรกับโจรและคนเป็นศัตรูกันย่อมนำความพิราษมาให้กันเสมอตำรวจจับโจรเหล่านั้นได้ทั้งหมดแล้วถูดพระราชาโจรเหล่านั้นรับสารภาพและกราบทูลว่าสมณะนอกพุทธศาสนาพวกหนึ่งจ้างให้ฆ่า พระราชารับสั่งให้จับสมณะเปลือยทั้งหมดพวกนั้นรวมกับพวกโจรให้นํามาที่พระลานหลวงให้ฝังลงในหลุมแค่สะดือกลบด้วยฟางแล้วก่อไฟเผาเมื่อไฟไหม้แล้วให้ไถด้วยไถเหล็กให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยขลตอบแทนแห่งการประทุสร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเห็นทันตาอันหนึ่งนักบวชนอกพุทธศาสนาเมื่อปรารถนาความสุขแห่งตนฉัไหนเล่าจึงเบียดเบียนผู้อื่น ผู้ทำเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าสังเวชและเกินพระมหาโมคลานะมรณภาพไม่สมควรเลยไม่น่าจะมรณภาพด้วยอาการอย่างนั้นภิกษุไม่มีญาณไกลออกไปจึงพูดอย่างนั้นเหมือนคนดูหนังหรือละครเพียงฉากเดียวพระศาสดาสเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการนิพพานของโมคลานะ ไม่สมควรแก่เธอในอัตภาพนี้แต่สมควรคือเหมาะแก่กรรมที่เธอเคยทำไว้ในชาติก่อนเมื่อพิกษจทั้งหลายทูล ถ, ถามถึงบุพกรรมของพระเถระจึงตรัดเล่าดังนี้กรรมเก่าของพระมหามวคลานะในอดีตการคุณบุตรชาวเมืองพา ร, ราณสีคนหนึ่งปร น, นินบัตมารดาบิดายูอยางกตัญญูกะตะเวที มารดาของเขาได้ขอร้องให้เขาแต่งงานเพื่อจะได้มีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านเขาปฏิเสธหลายครั้งแต่พ่อแม่ก็นําสตรีสาวผู้หนึ่งมาให้เป็นภรรยาของเขาจนได้พ่อแม่ย่อมอยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาตั้งแต่ตนยังมีชีวิตอยู่พอได้ชื่นชมแต่บางทีเรื่องกลับเป็นละครเศร้าญิงสภาของเขาเป็นคนไม่ดีปฏิบัติพ่อแม่อยู่ได้เพียงสองสามวันเท่านั้นก็เบื่อหน่าย คิดกำจัดบอกสามีให้ทราบว่าไม่อาจอยู่ร่วมกับแม่ผัวพ่อผัวได้เพราะท่านทั้งสองสปกปรกชอบทำเละเธอแต่สามีไม่ได้เชื่อฟังวันหนึ่งเมื่อสามีไปภายนอกนางลูกสะภ้ยเอาปอก้านปอและข้าวยาคูมาทิ้งเรียราดไว้ให้เต็มเรือนสามีกลับมาเห็นถามว่านี่อะไรกันนี่แหละคือการกระทำของมัรดาบิดาของท่าน อย่างนี้แล้วจะให้ฉันอยู่ร่วมด้วยได้อย่างไรฉันไม่อาจอยู่ร่วมได้อีกต่อไปเขาเห็นด้วยตาอย่างนั้นได้ฟังด้วยหูซ้ำเข้าไปอีกอาการบ่นพร่ำของภรยาก็กระทบหูกระทบใจอยู่เสมอบุคคลแม้ได้บําเพ็ญบารมีไว้มากเห็นป่านนี้ก็ยังเอ็เอียงเปลี่ยนแปลงหลงเชื่อภรยาและแตกกับิดามารดาได้เขาวางแผนสังหารมารดาบิดาทันที ให้ท่านทั้งสองบริโภคอาหารแล้วกล่าวว่าพวกญาติที่เคารพนับถือท่านทั้งสองหวังการมาของท่านคือต้องการให้ท่านทั้งสองไปเยี่ยมเรือนเพื่อเป็นมงคลลูกจะพาพ่อและแม่ไปมารดาบิดาเชื่อยอมตามเขาให้ท่านทั้งสองขึ้นยานน้อยพาไปเมื่อถึงกลางดงเขาหลวงพ่อแม่ว่าแถวถิ่นนี้มีโจรซุ่มอยู่มากลูกจะลงไประวังภยัยขอให้พ่อ ถือเชือกโคไว้โคจะเดินไปเองมอบเชือกไว้ในมือของบิดาแล้วลงจากเกวียนครู่หนึ่งต่อมาจึงทําเป็นเสียงโจรเข้าทุบตีพ่อแม่ขณะถูกตีนั้นพ่อแม่เป็นห่วงเขามากกว่าตนร้องบอกว่าลูกเอ๋ยพ่อแม่แก่แล้วเจ้าจงรักษาตัวให้ปลอดภัยเถิดไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ขณะที่พ่อแม่ร้องอยู่อย่างนี้เขาทุบตีจนตายแล้วทิ้งไว้ในดงด้วยกรรมนี้เพระหาโมกขลานะ ไม่ในนรกหลายแสนปีเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ถูกทุบตีให้ถึงตายอย่างนี้ถึงร้อยชาติเพราะเศษบาปที่เหลือพระาศาสดาตรัสต่อไปว่ามหาโมคลานะถึงบรนนทอย่างนี้เหมาะสมแก่กรรมของตนในอดีตพวกเดรัจฐีและโจรที่ปัทุศร้ายบุตรของเราผู้ไม่ปัทุศร้ายก็เหมือนกันเพราะผู้ปัทุศร้ายในบุคคลผู้ไม่ปัทุศร้ายย่อมพบกับความพินาศสิบอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้แล้วสัจพระคาถาว่าโยทันเทนะอนทันเทสุเป็นอาธิมีะยะดังปรนน า, นามาแล้วนั้นผู้ใคร่การศราึกษาพึงดูเรื่องต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการประทุสร้ายในท่านผู้ไม่ประทุสร้ายหนึ่งเรื่องปทุมราชในอัตถกถาจุลปทุมชาดกวรที่หแห่งทุกการิบาต วงเล็บหรือในมงคลทีปณีภาคสองกัตัญยุตากถาในเรื่องนี้พรรณนาถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของสามีคือปทุมกุมารเพื่อความสุขของภรรยาเมื่อเดินทางกันดานหาน้ำดื่มไม่ได้ปทุมกุมารยอมเจาะเอาเลือดในกายให้ภรรยาดื่มต่อมาภรรยามีชู้กับบุรุษด้วนวางแผนปรงผระชนปทุมกุมารโดยผลักให้ตกเหวแต่ปทุมกุมารไม่สิ้นพระชน ภายหลังกลับเมืองได้ของราชบุรุษด้วนกับภรรยาเป็นขอทานนางต้องเที่ยวแบกบุรุษด้วนอยู่ด้วยความทรมานนักหนาได้เพชรแล้วคว้างทิ้งไปเอาเศษเหล็กมาแทน 2. เรื่องคนและสัตว์สีชนิดในอัตถกถาสัจจังกิรชาดกวรที่แปดแห่งเอกนิบาทหรือในมงคลทีปณีภาคสองกตัญยุตากถาเล่าว่า คนและสัตว์4ชนิดลอยน้ํามาคือพระราชกุมารองค์หนึ่งหนูลูกนกแขกเต้าและงูดาบดช่วยไว้ภายหลังพระราชกุมารวัตุสร้ายดาบดเพราะโกรธว่าช่วยสัตว์ก่อนตนเมื่อได้ครองราชแล้วให้เคียนหลังดาบดต่อมาพระราชานั้นถูกประชาชนปรงพระชนเพราะเปลียดชังที่ไม่มีความกตัญญูกตะเวที 3. เรื่องพานป่ากับพญาช้างโพธิสัตว์ ซึ่งพรานป่าไปขอตัดงาถึงสามครั้งเป็นผู้ปทุสร้ายมิตรในที่สุดต้องถูกแผ่นดินสูบโปรดดูในศีละวชชาดกวักที่แแห่งเองกนิบาท 4. เรื่องขันติวาธีดาบทในอัตถกาถาขันติวาธีชาดกวักที่สองแห่งจตุกนิบาทซึ่งในที่นั้นกล่าวว่าพระเจ้ากลาปุได้ปทุสร้ายขันติวาทีดาบทโดยให้ตัดมือตัดเท้าของท่านและถูกแผ่นดินสูบ ยังธรรมกถาสาทยสมันเตหิสันหลักเทศตาภาติฟังแล้วชว่วยจำหน่อยนะ จำเพื่อประโยชน์ตนได้ก็ได้เพื่อประโยชน์คนอื่นด้วยการจะได้ฟังธรรมไม่ใช่ของง่ายๆเลยลการฟังธรรมพุทธเจ้ ย, ยินดีในธรรมก็ยังยากอีกฟังธรรมแล้วจะเข้าใจในธรรมก็ยากเข้าใจในธรรมจะนำไปปฏิบัติก็ยากปฏิบัติแล้วจะบรรลุธรรม ถึงทำก็ยากวันนี้มันไม่ใช่ง่ายเลยแต่ทางนี้ทางนั้นก็ได้หมายความว่ามันยากดังที่ว่านะทงนี้ทงนั้นถาว่ามันอยู่ที่ว่าความพร้อมของบุคคล น, นั้นคือหมายกามว่าบุคคล น, นั้นได้มีอุปนิสัยหรือเปล่านถ้าคนมีอุปนิสัยมันก็ไม่ยากเนี่ยคนมีอุปนิสัย ได้ยินเสียงธรรมก็มีความสุขเนะี่ยเอียงหูเข้าหานะี่คนไม่มีปณิสัยได้ยินเสียงดา่าเอียงหูเข้าไปเสียงธรรมเราไม่เอาอัน <c> น <oughs> มือนตองเงินข้ามอย่างเงี้ยนี่นนะแล้วมันจะให้มันเจริญได้อย่างไรนะี่คนยินดีในธรรมได้ยินเสียงธรรมมีความสุขนะสุขขนาดไหนสุขจนไม่อยากนอนนะนะ่นแหละถ้าเปรียบกับ คนหนึ่งเพลิดเพลินไปดูเขาเล่นเนี่ยดูหนังดูละครเพลิดเพลินนอนไม่ต้องนอ น, นเหมือนกันพวกนั้นนะแต่คนหนักในธรรมล้เบื่อเนี่ก็รู้ว่ามันเป็นละครดูแล้วง่วงเออถ้าฟังธรรมแะลนะ้วโอ้มันเป็นไปเพื่อชีวิตเนะี่ยหูตาสว่างขึ้นมาแม้มันต่างกันนะนั่นแป่ว่าอยู่ที่อุปนิสัยนี่อุปนิสัยปัจจนะัยเนี่ย ถ้าสั่งสมไปนิสัยไว้เสียงธรรมก็เป็นเสียงสวรรค์เนี่ยเสียงละธรรมก็เป็นเสียงนรกเนี่ยมันแล้วแต่การสั่งสมถ่าเรียกว่าผู้ที่ได้ฟังธรรมนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคมีโชคดีเลยแต่ว่าการใส่ใจธรรมนี่การฟังด้วยดีท่านถึงย้าเนี่ย เวลาจะฟังธรรมท่านย้ำนะแต่ก่อนสุดสูงสังละพระเตปัญญังฟังด้วยดีฟังให้ดีๆนะอถ้าฟังดีแล้วได้ปัญญาเนาะถ้าฟังไม่ดีแล้ไม่ได้อะไรเนี่ยถ้าฟังดีแล้วได้ปัญญาได้ความรู้เนี่ยยิ่งเป็นนั่งคิดพิจารณาแต่ละเรื่องแต่ละข้อนะโอ้ยมันเพลินนียเพลินนีมันเป็นหลักความจริงเนี่ย คิดไปคิดเขาคิดเราคิดการกระทาของเราของเขาคิดถึงอานิสงส์ที่จะได้รับทั้งเราทั้งเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยเลยเนี่ยมนคิดการคิดเนี่ยมันเป็นจินตามยปัญญานแต่การคิดในคิดในทางที่เป็นธรรมเนี่ไม่ได้ส่งไปคิดอย่างอื่นนคิดในเรื่องธรรมถ้าจะว่าเป็นจินตามยปัญญาเนี่ย ถ้าคิดเรื่องนี้มันก็ให้ความรู้ในเรื่องนี้นี่ถ้าสุตตะนั้นคือการฟังก็รู้เหมือนกันนะแต่มันมันไม่แน่นไม่ลึกเนี่ยเหมือนเราฟังฟังนี่เรียกว่าสุตตะมยปัญญาเนี่ยนี่คือได้รู้แต่บางคนก็พอลงจากสลาท่านว่าอะไรบางจําไม่ได้ถ้าเราคนลักษณะนี้เหมือนเหมือนเอาใส่ทรายพก ตอนฟังหยิบใส่ชายพกแต่ลูกเนีลืมเดบมันหลุดมดเลยหายไปมดพอจะ อ, ออกมาเอ้ามันไปไหนหมดแล้วล่วงไปในสลาหมดแล้วนๆๆวั่นนะวะห่อชายพกไม่ดีอ่ะบางคนห่อชายพกอยู่แต่ไม่ขี้ออกมาดูทักทีเอาไปก็ไม่มีเวลาเอาทิ้งไว้ก่อนห่อไว้ก่อนบางทีตายก่อนยังไม่ได้พิจารณาเลยนะก็ไม่ได้เหมันกันไม่ได้นะ ส่วนสุตตะได้ฟังก็ไม่ได้รับประโยชน์เลยแล้วก็จินตามยปัญญาก็ไม่เกิดเพราะไม่ได้ไปพิจารณาเนี่ยการกระทาเมื่อไม่ได้พิจารณามันว่าไม่มีการกระทามันไม่ชวนให้กระทำเลยเนี่ยมันก็เลยสักแต่ว่าได้ยินได้ฟังแต่ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาเนี่ยปัญญาก็เกิดไม่ได้เหมือนกันทั้งๆที่ไปถูกทางแล้วแทนที่จะได้ปัญญาแล้วมันกลับไม่ได้ ตันมีคม้อเบเพียไปเยอะบางครั้งจำลองเออบางคนฟังอยู่เหมือนกันแต่เหมือนหม้อหม้อเปล่าปิดฝาไว้ <c oughs> เข้ามาแล้จะเข้าได้อย่างไรเนาะฝ <c oughs> าปิดไว้ไม่เข้า <c oughs> อีกคนหนึ่งก็คว่ำห ม, ม้อคว่ำห ม, ม้อไว้มันก็ไม่เข้าเหมือนกันในเข้าคนไหนหงายไว้ มันถึงจะเข้าแต่มีข้อเปรียบเทียบไว้เยอะนี่ก็เป็นความอัศจรรย์นะความอัศจรรย์ในวิธีการที่จะแสดงทําให้คนเข้าใจเนะี่ยบางครั้งพิจนาโอ้โห ไ, ไม่ธรรมดาเลยนะแสดงว่าท่านมีเมตตาจริงๆนะพุทธเจานะ้าเนี่ยมีพระเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายจริงๆนะต้องการจะให้รู้ให้เข้าใจเพื่อต้องการที่จะให้หมดทุกข์จริงๆนะสอน ทุกแง่ทุกมุมรายละเอียดอะไรที่จะเป็นข้อเปรียบเทียบให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นพยายามยกขึ้นมาเปรียบเทียบให้เกิดความเข้าใจนะนั่นก็แสดงถึงพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณที่มีอยู่ในพระพุทธองค์พระไทยของพระองค์นี่ถ้าเราพิจารณามรก็จะเห็นเห็นลักษณะนี้นี่การพยายาิจารณาไม่ใช่ปัญญาที่นั้นรแต่ว่ามันเกิดจาก การพินิจพิเคราะห์พิจารณาแลเป็นจินตามียปัญญาแต่มันก็ทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งจากสุตตะสุตตะฟังแล้วนี่บางทีถ้าไม่ได้ทวนมันก็ลืมง่ายจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าฟังแล้วกลับไปทบทวนนั่งไม่ต้องทั้งหมดหรอกอันไหนที่มันมันอาจจะถูกอุปนิสัยของเราเนี่ยมันก็จะ เข้าไปในจิตใจเองแล้วก็จําได้ง่ายเราไปทบทวนพิพพจารณานะเป็นข้อปฏิบัตินะแล้วโอปะนเยโกน้อมเข้ามาสู่ตัวเองนะถ้าเป็นบางเรื่องบางอย่างที่มันถูกจริตนิสัยของเราจะจําแม่นฟังครั้งเดียวก็จํา จ, จนตายนะมันประทับใจก็เรียกมันตราประทับไว้ไม่ลืมบางเรื่องจดขนาดไหนมันก็ไม่จําจดไว้มันก็ไม่จํา ท่องอะไรมันก็ไม่จํามันไม่ถูกปัิสัยนะนี่ถ้ามันถูกกันแล้วไม่ต้องจําเลยเหมือนกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะเป็นนิมิตภายในจิตใจก็นะหรือความฝันก็ตามนี่ความฝันถ้ามันประทับใจมากๆมันไม่ลืมเลยนี่ถ้าอันไหนไม่ค่อยประทับใจมันลืมเดิมง่ายนึกหาก็ไม่เจอนีแต่ในที่มันประทับใจท่านเรียกว่าเป็นสุบินนิมิตเนี่ย ถ้าเป็นภาษาผู้ปฏิบัตินี่สุบินนิมิตเป็นนิมิตที่ทำให้เกิดความประทับใจพอมันเกิดขึ้นแล้วโอ้โหมันขนลุกขนพองขึ้นหรือบางทีในทางไม่ดีก็ประทับใจเหมือ น, นกันกลัวมากๆกลัวมาก ก, า ก, ก็จาแม่นเหมือนกันที่ก็ลัวมากทั้งๆที่ท่านบอกว่าไม่ควรจะจํนะแต่มันก็เป็นธรรมชาตินะ มันประทับใจยังไงไม่รู้มันไม่ใช่ประทับใจเราแต่ว่ามันฝังใจเนี่ยมันเอาไม่ออกมันฝังใจเนี่ยเรื่องนี้เคยเล่าให้ฟังอยู่หลายหลายครั้งเล่าให้พระเนรฟังว่าคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่มันฝังใจนะถ้าเป็นในด้านความดีแล้วประทับใจได้ไหมถ้าไม่ดีมันฝังใจเนี่ยมันเอาออกไม่ได้เนี่ยเคยไปเจริญพุทธมนต์ให้บ้านที่เขา ตายคนตายถูกฆ่าตายนะเพราะว่าแก้อย่างไงก็ไม่ได้ก็แต่จำเป็นต้องอยู่ที่บ้านเป็นบ้านเช่าเป็นแฟลตนะก็นิม น, นี่มนให้ไป น, นอนตั้งสามคืนนะได้บ้านนั่นไหมเราก็สงสารเขาเนาะที่สงสารเพาะเขาก็น่าสงสารเนี่เพะมี ล, ลูกเล็กสองคนไอ้ผัวเขาถูกฆ่าตายในห้องนั้นเลยทีนี้การอยู่นั้นมันก็มันฝังใจแล้วไง อยู่มันก็สะดุง้งนอนก็ไม่หลับนอนก็สะดุง้งเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตลอดเพราะมันกลางคืนอยู่ๆฝรั่งด้วยฝรั่งขึ้นไปยังไงไม่รู้ไปแทงเอาแทงเอาสามีตายเลยโอ้เป็นเรื่องเศร้ามากเลยลูกสองคนแล้วก็มาวัดมาไม่ไ ม, ไม่เป็นอันจะทําอะไรก็ทํามันไม่มีกระจิตกระใจเลยมันทุกข์กันนะไปเจริญพุทธมนต์ให้ทังวัด มันก็ไม่ดีขึ้นเขาก็บอกว่าอาจารย์ไปพักให้หน่อยไปค้างคืนให้ไม่ได้เลยบอกว่าเอาเอาก็เอาเขาอยากสมเคราะห์เขาไปกับเพื่อนองค์หนึ่งองค์หนึ่งไปเจริญพุทธแต่ว่าไปทั้งวัดเนะ่เวลาค้างก็เหลือเราอยู่สององค์คนะ้างให้เขาตอนเชา้าก็กลับมาวัดตอนเย็นก็ไปค้างให้ แต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรักนะแต่คนมันฝังใจไงฝังใจมันแก้ไม่ได้สุดท้ายก็ไปค้างให้ทั้งสามคืนมันก็ไม่ดีขึ้นล้วก็นึกเ่าอันนี้ไม่ไม่วิเศษเลยเนาะไม่ขังไลยไปเสวตมนก็แล้วไปอยู่ให้ก็ไม่ขังเลยเรจะขังได้ยังไงมันประทับอยู่ในใจของอีกคนหนึ่งนะเนถ้าปัญญามันไม่เกิดมันยากเหมือนกันนะ แต่ว่าก็ยังมีอุบายสุดท้ายไปอยู่ค้างคืนให้แล้วเขาก็ไม่สามารถไปนอนอยู่ได้แต่กลางวันพออยู่ได้แต่พอกลางคืนมาเอาลูกกราเต้าไปนอนกับญาติที่อื่นก็ทิ้งบ้านไว้เนี่ยจนกระทั่งนึกไปนึกมา อ, อก็มีโยมคนไทยที่คุ้กันเนี่ยเขาก็มาหามาคุยด้วยเขามาสนทนาหาอุบายจะทํายังไงช่วยสงสารเขาก็เลยนึกได้เนยมันนึก นึกไปนึกไปนึกมาคะบอกว่าเขาที่อยู่มันเาเป็นที่อย่างไงเนมันเป็นแฟกว่าแฟนั้นะรัฐบาลเ้าให้อยู่นี่ที่พูดนี่เป็นเป็นชาวกัมพูชานะชาวกัมพูชานี่พูดภาษาไทยรู้เรื่องกันก็เลยคิดว่าโอ้โยมถ้าถ้าเขาอยู่อย่างนั้นนนะมันฝังใจแล้วมันจะแก้ยากนะมีทางไหมที่อาตมาจะแนะนำถ้าเป็นไปได้นะมันจะลำบากไหม ถ้าหาวิธีย้ายเขาออกจากที่นั่นได้ <c oughs> คือจากห้องจากตึกนั้นได้หรือจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้ออกจากที่นั่นก็แล้วกันจะโดยการวิธีเปลี่ยนกับคนอื่นหรือหรื อ, อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็เรียกนักสังคมสงเคราะห์มามาคุยมาพูดเนี่ยเขาก็เอ็นเอียงเห็นด้วยเหมือนกันพระว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่มีทางหายหรอกก็มันฝังใจแล้วเนี่ยแล้วก็เลยไป ทำเรื่องถึงผู้ใหญ่ทางรัฐบาลนะเป็นเรื่องไม่ใช่ธรรมดาเลต้องถึงขนาดนั้นเพราะว่าเป็นแฟตของรัฐบาลนะเป็นชาวอพยพบริไมก็ทำหนังสือรองเรียนไปถึงความทุกข์เขาก็ดีนะพอเขารู้ปัญหามีเด็กมีลูกสองคนด้วยเนี่ยทเขาก็ทำงานเร็วเหมือนกันนะครประมาณอาทิตย์กว่ามีโยมมาบอกว่าเออเขาเห็นเดี๋ยวเวเขาก็เลยยอมให้เปลี่ยนเปลี่ยนตึกนั้น เท่านั้นมันก็ดีขึ้นเลยพอเปลี่ยนแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนโลภมันก็ออกจากจุดตรงนั้นมันเป็นตราประทับเลยนะออกไปจากนั้น้มันก็ค่อยๆลืมไปมันว่ามันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอยู่ในใจไงก็ทําให้เบาได้ก็หายไปได้เหมือนกันเอมันสําคัญกับบางครั้งเลยจะเอาแต่ครั้งอย่างเดียวไม่ได้เลยหลับหูหลับตาแตส่วนอย่างเดียวมันไม่หายก็มีมันต้องใช้ การคิดพิจารณาหาหมูลเหตุเพราะว่าทุกจะดับได้เพราะดับเหตุเนี่ยฉะนั้นต้องหาเหตุเสก่อนว่าเหตุมันมีอะไรบ้างเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อหาเหตุแล้วก็หาทางดับหาทางดับมันที่จะเกิดความดับขึ้นมาได้สิ่งเหล่านี้เรียกว่ามันถ้ามันประทับแล้วมันออกยากอยากมันฝังฝังใจแล้วมันออกยาก เรื่องดีก็ประทับใจก็ไม่ลืมหรอกบางทีสัญญาแก่มาแล้วสัญญานิจจารืมแต่ว่าสิ่งสิ่งที่มันประทับใจมันก็ไม่ลืมนะ <c oughs> ถามโดยแต่คนที่สัญญาไม่ดีนี่าเรื่องเก่าๆ เ, เรื่องประทับใจไม่ลืมเล่าได้เรื่องที่มันไม่ประทับใจต่างหากที่มันลืมง่ายอันนี้เกิดเกิดขึ้นขณะนั้นประทับใจในขณะนั้น แต่บางอย่างนี้ที่ประทับใจเพราะอาศัยการไตรตรองพิจารณาเนี่ยพิจารณาจนเกิดความซึ้งใจขึ้นมาก็ประทับประทับใจได้เหมือนกันเนี่ยพอพิจารณาไปพิจารณโอ้ตอนแรกก็ไม่เข้าใจนี่พอมาถึงโอ้มันอย่างนี้เองเ่ยประทับใจลึกซึ้งตรงนี้ก็ประทับใจขึ้นจากการโยนิโสมนัิการเนี่ยท่านเึงย้ําตัวนี้ไงต้องให้มีโยนิโสมนัิการน คืการไต่ตรองการพิจารณาบ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเกิดความประทับใจขึ้นมาได้เนี่ยเกิดความเข้าใจแม้เป็นหัวข้อสั้นๆนถ้ามันคิดไปประทับใจแล้วจะจำได้ตลอดเลยในนี้จำได้ตลอดไม่ลืมเลยเนี่ยอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่มันก็จำได้แม่นนะผมมียครั้งหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะไม่ไม่ใช่เรื่องอวดอะไรนี่พูดถึงว่ามันเป็นเอง หลายหลายคนเป็นนะตาคนอาจจะมีปณิสัยมาทางนี้เนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินแต่มันไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะมันทาเป็นหลายเดือนเป็นเกิดจะเป็นปีเลยเป็นพระขาวเป็นปีเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิวันหนึ่งมันโยโย่มันก็เกิดขึ้นมานะนั่งสมาธิเดินจงกรมไปถึงเที่ยงคืนแล้วคิดว่าจะพักเออเอาอีกหน่อยนะ ้วได้เดินต่อไปอีกจนเกือบตีหนึ่งนะเดินภาวนาพุโทโธเนี่ยแหละเนี่ยโยโยก็มันก็เกิดภาษาบาลีเกิดขึ้นมาทั้งที่เราก็ไม่ได้ดูไม่ได้ท่องนะเอโกอัตถังทิโกมัคโคนี่ก็เกิดขึ้นมันสะดุ้งเลยนะนสะดุ้งโยโ ย, โยมันโผล่ขึ้นมามนสะดุ้งเลยเป็นเหตุให้เราจับเอาอคำเนี่ย มาภาวนามาพิจารณาเลยเพราะมันเกิดขึ้นแบบที่เราไม่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นมาจับมาเป็นเหตุให้พินิพิจารณาในเรื่องเอโกมัคโคนี่หรืออัดทังท e ิโกมัคโคนี่ในเรื่องอริยมรรคเนี่ยทีนี้ใจมันก็พิจารณาถึงมัค8ดเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องมันก็เลยเกิดความประทับใจตรงนี้เรียกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เคย สร้างมันขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเองก็มีนี่นี่ลักษณะนี้มันมันเหมือนเป็นของเก่าหรืออะไรก็ไม่ทราบเนี่ยแต่ว่าเกิดขึ้นได้เหมือนกันนี่ดีว่าเรื่องอย่างนี้มันก็เกิดความประทับใจประทับใจมันก็ไม่ลืมถ้ามเกิดแล้วฉะนั้นมันลืมถ้าจะมองในแง่หนึ่งในแง่กรรมที่เราศึกษาหลอมาเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเป็นกรรมดีเนี่ยมันมาสนับสนุนเนี่ย คือถ้าเราทำดีมีก ร, รมดีมาสนับสนุนก็จะเป็นลักษณะนี้่คือทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำดีมากขึ้นนะเนี่ยถ้าประกอบความเพียรนะก็มาสนับสนุนทำความเพียรก็จะมีความขยันทำความเพียรมากขึ้นนี่ก็เรียกว่าก ร, รมสนับสนุนเนะี่ยหรือกรรมอุปธ ร, นะ ร, รรมเนะี่ยอุปธรรมกำเนี่ยนกกมให้เกิดแล้วในส่วนที่เป็นกุศลแนละ้วอุปธ ร, รรมกำก็เป็น กรรมที่อุปธรรมนั่นแหละตรงตัวว่าทำสนับสนุนเนี่ยไม่ให้ลําบากเนี่ยขาดอะไรอะไรหามาให้ส่งเสริมให้อะไรให้เนี่ยเรียกอุปธรรมกรรมนในขณะเดียวกันอุปคาตกรรมก็มีเนี่ยว่าคาตกรรมคืออันนี้ก็เป็นฝ่ายกุศลนะฟังคําว่าอุปค่าเนี่ยก็เราคิดว่ามันจะเหมือ น, นฝ่ายไม่ดมีมีทั้งสองฝ่ายเหมือนกันฝ่ายดีอีกเนี่ย ฝ่ายดีก็จะมาป้องกั น, นอุปค่าตัวนี้วุปคาตกรรมตัวนี้เป็นฝ่ายดีจะมาป้องกันอุปค่าคือจัดการจัดการประหัตประหารจัดการไม่ให้เข้ามาเลยดังนั้นเมื่อกรรมที่เป็นอุปค่าตรรมที่เป็นกุศลนี้เมื่อมาสนับสนุนทั้งอุปถัมภ์กำอุปค่าตรรมก็เหมือนกับเป็นทหารมารักษาป้องกันให้ใครจะมาทําลายอกุศลกรรมเข้ามาไม่ได้อุปค่าตรรมนี้จัดการเลยเพราะพลังแห่ง กูสละกรรมที่เรียกว่าอุปคาตะกรรมที่เป็นฝ่ายกูสลเนี่ยจะคอยตัดรลอนตัดร่อนนี่แต่ถ้าตรงกันข้ามน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากคืออุปคาตะกรรมมาทำหน้าที่มัอนกันแต่มันจัดการความดีความดีเข้ามาไม่ได้นี่มันอุปถัมให้ความชั่วเจริญมากขึ้นนะโอ้มันน่ากลัวเลยนชนกรรมให้ดำริไปในทางที่ผิดนี่นี่ นี่สนุกกรรมเนะี่ยคือทําให้เกิดเนะี่ยเกิดมาให้กระทํากรรมชั่วแล้วยังมีตัวสนับสนุนเนี่ยอุปธรรมกรรมที่เป็นฝ่ายอากุศลเนะนี่ยมาสนับสนุนโอ้ยดีแล้วทำไปเถอะไม่ผิดหรอกะเงี้ยมันก็เลยย่ามใจทําในสิ่งที่ไม่ดีเนะนี่ยแล้วก็ยังมีตัวที่ทหารป้องกันอยูเรียกว่าอุปคาตกรรมที่เป็นฝ่ายอากุศลเนะี่ยมาจัดการกับกุศลที่เราก็มีเหมือนกันกุศลแต่มันกําลังไม่มี เมื่อมาแล้วกำลังอกุศลมันมากกว่ามันก็เลยจัดการอากุศลกรรมที่จะมาให้ผลมันก็มาไม่ได้แต่นั้นตรงนี้ก็น่าคิดที่ว่บุคคลควรทาความดีนี่ให้บ่อยๆนี่เพื่อจะได้เป็นพลังแห่งกุศลกรรมนถึงอกุศลกรรมถ้ามันมีกำลังมันน้อยมันก็ยังมีทหารทหารป้องกันก็คือ ประฆาตกรรมที่เป็นส่วนกุศลในเป็นทหารป้องกันไว้มันก็จะจัดการให้เรื่องกรรมนี่ก็น่าคิดนะถ้าพิจารณาให้ดีเด่นมันน่าคิดเหมือนกันพิจารณาแล้วโอ้โหมันละเอียดสลับซับซ้อนโย่แต่ก่อนไม่เข้าใจแล้วอให้ยุ่งมากเลยสับสนเพราะบางทีท่าว่าทําชั่วได้ดีหรือไม่ได้ว่าทํำชั่วได้ดีท่้นว่าทําชั่วแล้วไปสวรรค์ ทำดีดันลงนรกต่ำน้อยนี่น้มันครรนี่ก็งงเหมือนกันนะงงเนี่ยถ้าเราเรียนเรื่องกรรมถ้าศึกษาพิจารณาเรื่องกรรมนี้เข้าใจเลยเข้าใจนะเข้าใจเรื่องกรรมเพราะอย่างเราศึกษามาเมื่อหลายวันก่อนเนะี่ยที่อาสนกรรมอาสนกรรมที่ท่านที่เปรียบเทียบว่าเหมือนโคแก่หรือโคทถกนอนขวางปากข้อกันนะประตูข้อไหม แม้กำลังแห่งกุศลคือโคที่ดีๆมันจากจะออกแต่มันออกไม่ได้เนี่ยเนี่ยมื่อออกไม่ได้มันก็ต้องดันให้ตัวนี้ออกก่อนมันก็เลยออกก่อนไงเนี่ยฉะนั้นว่าจิตเป็นอกุศลเพียงนิดเดียวเท่านั้นก่อนที่จะสิ้นใจเนะมันก็ต้องกรรมตัวนี้ให้ผลก่อนได้เหมือนกันอย่าว่าเล็กน้อยเลยท่านึงไม่ให้ประมาทในกรรมเล็กน้อยไงเนี่เหมือนโคเท่าเนี่ยเวลาเข้าคลอกเนี่ยเข้าที่หลังเขาไม่มีที่อยู่เนี่ยเหมือนกรรมดีเราทาไว้ทั้งหมดเนะี่ย แล้วสุดท้ายลืมสติเนี่ยไปเอากรรมไม่ดีมาปิดประตูคอกปิดไว้เวลาสิ้นใจก็ดันตอนนี้กรรมเดียวมันก็ดันตัวนี้ต้องออกก่อนอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยไปพวักพวงในเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยนี่แต่นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนี่นี่เพราดันจึงดูศารก็ ด, ดีที่ครูบามาให้ดู เ, เด็กคนพูดดีมากเลยนี่ที่น้องจีน้องกันก็ว่า เด็กพิการนะโอ้โหมันพูดประทับใจอยู่เหมือนกันเนี่ยมันว่าตอนนี้เนี่ยที่กันกลัวมากที่สุดใช้แทนตัวว่ากันคือเชื่อกันเนี่ยก็คือจิตสุดท้ายต้องประคับประคองจิตนี่พอกลัวว่าถ้าจิตมันไม่รักษาขาสติมันจะเศร้าหมองเมื่อเศร้าหมองแล้วมันก็จะไปทุกขติเองบอก ดังนั้นต้องคอยประครับประคองตลอดเวลาทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีมันย้ำ อ, อ, อ, อีกนะมันย้ำอีกไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเด็กพิการนะนั่นก็คือในเรื่องกรรมนี่ ม, นมันประมาทไม่ได้นี่มันบอกว่าน่ากลัวที่สุดก็คือตอนสุดท้ายของลมหายใจนะนี่ี่เพราะจิตใจของเราในะเป็นสิ่งที่บังคับได้ยากนะนแล้ว เขาเองเขาว่าเขาก็ยังไม่ประกันว่าเขาเนี่ยจะต้องท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารนี่นานเท่าไหร่เนี่ยคงจะอีกนานมันคงจะอีกนา น, นถึงจะอย่างไรก็ตามถ้าเราควรรักษาอารมณ์ที่ดีเนี่ยเพื่อจะได้สภาพร่างกายที่ดีนีคือมันทุกข์มากนะนสภาพร่างกายมั น, นมันใช้งานไม่ได้มันคนทั่วไปเนี่ยแล้วอายุ ก, ก็สั้นด้วยเนี่ยตายแล้วนะเห็นว่าตายแล้ว บอว่าอย่างน้อยก็ได้อัตภาพที่ดีหน่อยเนี่ถ้าเป็นไปได้อยากได้อัตภาพมนุษย์บอกได้เพศบุรุษแล้วขอประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตแล้วก็จะขอศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาพระอภิธรรมเพื่อให้รู้ถูกเพื่อให้เข้าใจถูกแล้วก็ขอสร้างบา ร, รมีสร้างบา ร, รมีธรรม เพื่อตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการมันก็พูดเป็นธรรมดาด้วยคือใจมันจดจ่อมันทอดอะไรแล้วร่างกายมันหมดสภาพแล้วไงตาก็จะบอดแล้วหูก็แทบจะไม่ได้ยินร่างกายก็เริ่มแย่ลงนะครับบอกว่ามันทรมานมากที่สุดเนี่ยทรมานมากที่สุดแต่ต้องประครับประคองสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการประครับประคองสติทําให้เวทนามันเบาลง เขาใชว่าเจริญสติการเจริญสติก็คือการนึกถึงสิ่งที่ดีเออใช้คํานี้นะนึกถึงสิ่งที่ดีคือนึกถึงศีลเนีเมื่อเรานึกถึงศีล น, นึกถึงสิ่งที่ดีนะเอ่เวทนาก็เบาลงเนี่ยเวทนาก็เบาจิตใจก็เบาด้วยนีจิตใจก็เบานะเนี่ยเะนั้นจึงจําเป็นต้องประคับประคองจิตแล้วก็ไม่กลัวตาย อยากจะให้ถึงวันนั้นโดยเร็วเพราะว่าเพราะว่ากลัวสติมันเผอไงในช่วงที่รับรู้อยู่นี่อถ้ามันไปได้ในในตอนนี้ดีที่สุดเพ่งอยากจะให้มันไปเร็วได้ยิ่งดีเขาว่าอย่างนี้นายกิดนะนี่ดีเหมือนกันนะดูเอาไปให้ยายดูดูติดเลยติดดูแทบทุกวันดูเรืนี้ดูเรื่นี้อา้าวก็เป็นแันว่า ได้ข้อคิดหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยแล้วนำไปพิพจรารณานรักษาตนให้มันดี